อนนี้เอา้าก็ปากฏว่าเนี่ยก็โอ้โหอยู่ไปจนกระทั่งนะอายุถึง80ปีนะวันหนึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าได้สละทรัพย์ทั้งหมดทั้งปวงเสียสิ้น800ล้าน <c oughs> สละหมดเลยบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาโอ้แค่ไปเจอแค่ไปพบแค่ฟังเทศของพระเจ้าเท่านั้นเอง ทิ้งหมดเลยสมบัติที่มีทั้งหมด80ดล้านมาเลยมาบวชอายุตั้ง80แล้วนะั่งคิดดูนะจริงๆเนี่ยแต่บ้านอย่างว่าคนสมัยก่อ น, นก็ไม่เหมือนคนสมัยนี้นะถ้า80ดสิของเราก็ใกล้จะตายอยู่แล้วนะทุกวันนี้นั่น80ดสิบเขาอ า, อ, อาจจะท่องแบบจากข้างหน้าไปจนจบจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้เอา ต่อให้ท่องได้อย่างนั้นเลยแม่แผ่เมตตาชนิดถอยหน้าถอยหลังได้เลยนะแต่เอาแต่ท่องหรือเอาแต่พูดแต่ไม่ได้ถึงขั้นลงมือช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่แต่พูดที่ยังดีกว่าเอาแต่คิดเนะี่ยบางคนเนี่ยเมตตานี่เอาแต่คิดจริงๆเลยอะพูดก็ไม่พูดเลยนะบางทีโอ้โหสงสารจังเลยนะั่นผู้อยู่ในใจนะโอ้สงสารจังเลยแมน่าจะเอาเงินให้เขาสัก 5้าบาทสิ บ, บาทไนดะ้ก็ไปกินข้าวนะลรคิดคิดอยู่ในใจคิดเสร็จแล้วก็ <c oughs> เออก็จากไป <c oughs> เออคือมันเมตตาอยู่แต่ในใจอะ่ะมันก็มีบุญมีกุศลขนาดหนึ่งนะแต่โมโหมันมันยังน้อยมันยังไม่เพียงพอหรอกเพราะันแผน่เมตตา น, นี่มันมันไม่ใช่แค่จิตนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเอาออกมาให้ได้ ก็ดีขึ้นมาหน่อยก็เอาเป็นวจีกรรมออกมาเป็นวจีกรรมออกมาให้ได้ก็ดีขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่ใช่แค่คิดแหละคราวนี้เออบางทีพูดบางทีบอกบางทีแนะนำบางทีอะไรได้แต่บางคนก็เนี่ยโอ้โหบอกอย่างดีเลยแนะนำอย่างดีเลยนะแต่เอาแต่แนะนำจริงๆอะ่ะไม่ลงมือสักทีนสอนอะไรก็สอนให้โอ้โ ห, หน้าบอกบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้อะไรแต่ มีเมตตาแค่บอกแต่ไม่ได้ลงมือด้วยนะอันนี้ก็จะ บ, บุญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าครบพร้อมหมดเนี่ยใช่มคิดเราก็คิดแล้วบอกเราก็บอกด้วยเราลงมือทำด้วยวันนี้ครบกรรมสามเลยเป็นเป็นเมตตาที่ครบหมดแล้วคนที่ครบกรรมสามนี่แหละถึงจะเป็นธรรมทานที่แท้จริง ถ้าไม่ครบเนี่ยนะมันไม่เป็นธรรมทานที่แท้จริงเพราะหลายคนที่บางทียังเข้าใจว่าอะไรอะ่ะเพียงแค่พระท่านมาเทศนะมาเทศปโปรดอะ่ะเขาใช้คำว่าเทศปโปรดญาติโยมก็คือสอนญาติโยมเนี่ยโอ้โหท่านมีเมตตานะามาเหมือนกับพระมาปโปรดนะ เ, เทศสอนอะไรต่ออะไรแต่เอาแต่เทศสอนเน่ยบางทีตัวพระเองก็ไม่จะทำะนะ ตามที่เทศหรือตามที่สอนตัวเองไม่ได้ทํำนะบอกให้คนอื่นเขาทาแต่ตัวเองไม่ทําแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเองยังขาดเลยขาดกายกรรมอยู่ใช่ไหมมโนกรรมอาจจะมีวัจีกรรมอาจจะมีแต่กายกรรมไม่มีหรือบางทีพูดนี่พูดให้คนอื่นเท่านั้นนะอาจจะไม่ได้เอามาสอนตัวเองด้วยคือสอนคนอื่นแต่ไม่สอนตัวเอง อย่างเช่นเอาบอกคนอื่นว่าเอาอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเลิกเถอะอย่าไปกินเนื้อสัตว์เลยมากินมังสวิรัตดีกว่านะหรือว่าเอาอย่าไปเบียดเบียนอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่พอสอนไปแล้วเนี่ยคือสอนคนอื่นแต่ตัวเองนี่อา้าวยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่หรือว่ายัางไปนะกินปลาปูกุ้งหอยอะไรที่ไหนอยู่อะไรเงี้ยเอานี้สอนแต่ปากแต่กายกรรมตัวเองทา นะคือคื อ, คอทําผิดจากที่ตัวเองสอนเพราะฉะนั้นจะถือว่านี่ไม่ทำเนี่ยไม่ได้ทาตามคําสอนนั้นเนี่ยเพราะนั้นคำสอนนั้นนะ่ยนะต่อให้เป็นคําสอนที่ดีด้วย <ด miyor. S 1> ต่อให้เป็นคําสอนที่ดีเพ <Ign ite. S 1> ราะนั้นคนนั้นเนี่แทบจะไม่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นธรรมทานแท้ไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าธรรมทานเนี่ยเป็นทานที่สูงที่สุดได้ ย, ยังไงธรรมทานนี่พระเจ้าท่านถือว่าเป็น านที่สูงที่สุดมันจะสูงที่สุดได้เนี่ยใจคิดแล้วนะวจีกรรมบอกสอนกายกรรมต้องทำได้ด้วยต้องครบองค์สถึงจะถือว่าเป็นธรรมทานแทๆ้ๆมันเนี่ยถ้าเราเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยเรื่องของการแผ่เมตตาที่เราอยากได้บุญกุศลมากๆเราก็จะได้ชัดว่าโอ้ถ้าเราอยากจะได้บุญกุศลมากๆมันต้องครบกรรมสามนี่สิมันถึงจะเป็นบุญกุศลมากๆ นะอย่าไปเอาแค่มีพระสูตรพูดถึงว่าเราแค่มีจิตเนี่ยแผ่เมตตาไปทุกทิศทุกทางนะแม้แต่เพียงชั่วรัดนิ้วมือเพียงชั่วหยวดน้ํานมโคล่ะนะอะไรพวกนี้บอกโอ้โหก็มีบุญมากมายมหาศาลแล้วถูกจิตจิตเรามีเมตตาอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ถูกและแผ่เมตตาอย่างนั้น ขนาดนั้นอะนะแค่จิตคุณคิดเนี่ยโอ้โหยังบุญมากแล้วนะมหาศาลขนาดหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณมีวจีกรรมด้วยมีกายกรรมด้วยโอ้โหมหาศาลยิ่งกันนั้นอีกหลายเท่าเลยนะถ้าคนเข้าใจการแผ่เมตตาที่ถูกต้องได้เนี่ยจะทำให้เราไปอยู่กับใครก็ตามเป็นที่รักของคนอื่นจะไปอยู่กับใครก็ตามนะมีศัตรูยาก ถ้าคุณมีเมตตามีศัตรูยากเพราะเมตตาเนี่ยแหละเป็นตัวปราบปราบความเกลียดชังปราบความไม่ชอบใจปราบความอะไรอ่ะโกรธกันถือสากันอะไรต่างๆโอ้ปราบได้เยอะเลยปราบนี่ไม่ใช่ไปปราบคนอื่นเขาหรอกนะปราบเราเองเนี่ยแหละบาทีเราโกรธบ้างเราไม่ชอบใจบ้างอะไรบ้างเขาก็ใช้เมตตาเนี่ยเอาเข้าไปพยายามคิดพิจารณาว่าเออนะจะยินดี ช่วยเหลืออะไรใครยังไงได้บ้างโดยเฉพาะคนที่เราไม่ชอบใจอะไรเงี้ยเอ๊จะเมตตาอย่างไงนะนะแล้วก็อย่าแค่คิดเพราะหลายคนที่อาจามาเคยบอกว่ามาตั้งตาบะเนี่ยตั้งตาบะว่าเอาละจะแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดดีดีขนาดนึงแล้วแต่เอาเป็นวิีกรรมขึ้นมาให้ได้นะไปเจอไปเจอคนที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราก็เอออาเอาดูซิ ทำว่าจีกรรมให้เมตตาได้ไหมทักทายเขาดีๆได้ไหมพูดคุยกับเขาดีๆได้ไหมอ่าอย่าไปพูดจาหยาบคายนะอย่าไปพูดอะไรอะ่ะเสียดแทงใจอะไรเขาได้ไหมพูดแบบเมตตาพูดเป็นหรือเปล่าอ่อย่างนั้นแหละนะตอนนี้ไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นคราวนี้เรายังเออเราเจอเราก็แค่ทักแค่พูดนะเอาก็ดีขึ้นมาละ แต่เอาบางทีเขาอะไรอ่ะเขาทำงานทําการเราพอจะช่วยเขาได้เอาเราช่วยหรือเรามีข้าวของอะไรบางทีเออพอแบ่งปันให้เขาได้เราแบ่งปันให้เขาเนี่ยมีเมตตาที่จะแบ่งปันให้เขาโอ้โหคุณยิ่งทําอย่างนี้ทําทั้งใจทําทั้งวาจาทําทั้งกายได้คนนี้หายอากุศลจิตเร็วจะหายได้เร็วมากเลยแต่ใครเนี่ยเอาแต่คิดคิดคิดนะ ไมยอยากจะเลิกเกลียดอยากจะเลิกเป็นศัตรูกับคนนี้ทักทีเอาแต่คิดคิดคิดนะแล้วก็วิจีกรรมก็ไม่ทําสันทีกายกรรมก็ไม่ทำสักทีโอ้ยช้านานพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมอาจามาบอกแล้วความคิดนี่มันปรับเปลี่ยนไวคุณคิดเมตตาเมตตาเนี่ยแค่หายใจเข้าเมตตาหายใจออกอาจจะไม่เมตตาแล้วก็ดะมันไวนะความคิดนี่มันเร็วเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่ชอบใจยอยู่แล้วอะ บางทีพอคุณยิ่งไม่ชอบใจอยู่แล้วนะใจมันคิดไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเก็เราว่าพยายามพยายามบอกว่าพยายามเมตตาพยายามเมตตานพยายามสะกดละพยายามสู้พยายามเมตตาเมตตาเมตตาขนาดอย่างเนี้ยคุณรู้เปล่าเนี่ยขนาดคมสู้อยู่นะบอกว่าอ้าภายในเราเนี่ยบอกเอาพยายามเมตตาเมตตาไมตตาโอ้โหคุณต้องไปส่องกระจกบางทีโอ้โหขนาดพยายามเมตตาเมตตาจีตตาแข็งเป๊กเลยนะ โอ้ตาแข็งเป๊กเลยเนี่ยขนาดพยายามบอกเมตตาเมตตาแล้วนะโอ้โหตาก็แข็งปากก็แบะโอ้โหจริงๆเลยมันมันถึงบอกว่าต้องเอาจริงๆต้องพยายามจริงๆต้องทุ่มทุ่มเทใส่นะไม่เพียงแต่แค่คิดพยายามเลยนะฝืนสู้กับมันให้ได้ไอ้กิเลสตัวพวกเนี้นะเพิ่มเมตตาใส่เข้าไปใส่เข้าไปรับรองเลยคุณใส่ไปได้มากจริงๆ คุณใส่ไปได้ถึงขนาดเพียงพอโอ้ไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นลดลงได้นะไอสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นความเลวร้ายแต่างๆลดลงได้เพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยคุณจะไม่มีโกรธเกลียดใครเลยในชีวิตคุณจะไม่โกรธเกลียดใครแต่คุณรู้นะใครทําดีใครทําไม่ดีอะไรใครพูดจาหยาบใครทําเลวทําร้ายอะไรคุณรู้อ่าบางทีบางคนผ่านมากๆเราก็ไม่คบคนมผ่านไปนมิดอนะ เราก็อาจจะไม่เข้าใกล้เขามีแต่เราไม่กลัวไม่เกลียดไม่อะไรเขาเราเระมัดระวังแต่เราไม่ไปรแวงไม่ไปกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้อะไรกับเขามันจะไม่กลัวเพราะมันมีความเมตตาเนี่ยอยู่เพราะนั้นเนี่ยหวังว่านะถ้าพวกเราเนี่ยเข้าใจวิธีการแผ่เมตตาที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องได้คุณจะไม่มีใครเป็นที่เกลียดชังอยู่ในจิตของคุณ จะไม่เหลือจะหมดเกลี้ยงคุณคิดดูสิหัวใจของเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยแหมมีแต่ความรู้สึกดีๆกับคนแต่บอกแล้วนะไม่ใช่โง่นะแล้วไม่เซอด้วยฉลาดมีสติปัญญามีไหวพริบพอบอกแล้วเราไม่ใช่แบบรือสีเราแบบพุท ธ, ธะเนี่ยเราจะเมตตาเราจะอะไรเราก็มีสติปัญญาในการเมตตาเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห จิตใจที่คุณมีกุศลแจิตจิตใจที่เมตตาเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยคุณมีอยู่แต่เมตตาก็บอกแล้วนะไม่ได้หมายความว่าอะไรอ่ะมีแต่ให้ให้ให้ไอ้คาว่าให้นี่ไม่ได้หมายความว่ามีของก็ต้องให้ให้ให้ให้เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วคุณให้โจรให้อะไร น, นั้นคุณกระบาบนะ่ะอันนั้นมั น, ม, นมันมีฉาทิถิ่นมันไม่ถูกนะวันเมตตาไม่ใช่ให้ให้ใ ห, ให้บางทีไม่ให้นี่แหละเมตตา เออบางกรณีบางครั้งบางอย่างไม่ให้เนี่ยละเมตตาทําให้คนนั้นดีขึ้นแล้วก็ช่วยคนนั้นทําให้คนนั้นเนี่ยจเจริญขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นหรือพ้นทุกข์มาได้เพราะเมตตานี่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเหมือนกับบางทีเนี่ยเอาเลี้ยงอะไรนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีบางครั้งเนี่ยเอาตีลูกเนี่ยตีด้วยเมตาก็ได้นะเออเมตตาจริงๆไม่ใช่ว่า คิดจะมาแกล้งหรือว่ามาลงโทษอะไรแต่นี่แหละใจคุณจริงไหมล่ะใจคุณเมตตาจริงไหมไม่ใช่คว้าด้างไม้หวาดได้ก็หวดปับป๊บปับปบบอนี่แหละเมตตาใหญ่หน่อยไอเมตตาเล็กไปไม่พอมือไอ้อย่างนี้นี่มันแหมมันไม่เมตตาแล้วมันเมตตุบเมตตับแล้วอย่างงี้มันไม่ไหวนะไ อ, อย้ยี้มันใช่อารมณ์อย่างนี้มันโกรธมันเกลียดแล้วไม่ถูกเพราะนั้นอันเนี้ยให้ให้เราเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัด ช่วยได้จริงๆนะคําพูดหนึ่งที่พวกเราได้ยินอยู่บ่อยๆถึงใช้คําว่าเมตตาเมตตาธรรมเนี่ยหมวดธรรมะที่เป็นเรื่องของเมตตาเนี่ยเมตตาธรรมเป็นไงเออําจุนโลกหรือว่าคุ้มครองโลกเนี่ยเหมือนกีพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าคุ้มคุ้มครองตนโลกโลูกนี้แหละตัวเรานเนี่ยแหละเนี่ยเมตตาธรรมเนี่ยคุ้มครองโลกก็คือคุ้มครองตัวเราเนี่ยแหละคุ้มครองจริงๆ คุณจะอยู่รอดปลอดภัยรับรองตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะก็ให้มีปัญญาคิดนะตกน้ำไม่ไหลเดี๋ยวก็โดดตูมลงไปแล้วก็เรียบร้อยนะนะไฟไม่ไหมก็เอาเลยอามือแย่รับรองนะให้รู้นะว่าหมายความว่ายังไงอา้าววันนี้ก็คิดว่าฝากเรื่องนี้ นะเพราะคิดว่าพวกเราอยู่กันเยอะๆแล้วเราใช้สาธารณโภกีระบบเนี้ยคุณจำไว้เลยว่าต้องนำด้วยเมตตาสามกรรมนี้นะถ้าคุณจำมันน้ไวแล้วรับรองระบบสาธารณสาธารณโพกีเริ่มเกิดได้แต่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมยังจะต้องมีอีกสองตัวมาช่วยประกบคือฮะสาธารณธรรม6 อะไรมาประกบถึงจะสาธ า, ารณโภกีซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยถึงจะไปรอดได้ศีล ส, สามัญตาทิฏฐิสามัญตามาประกบเอาไว้นะสาธ า, ารณโภกีเนี่ยโดนโดนคุ้มครองโดนหอ่อหุ้มด้วยความเมตตากับด้วยศีลแล้วก็ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องนะเห็นไหมจะต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีศีลมีศีลคือมีการ บังคับตัวเองได้พูดง่ายนะคุณมีศีลคุณมีการบังคับตัวเองคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณมีเมตตาเนี่ยสามอย่างนี้รวมกันปับ๊บสาธารณโคโกีไปได้พัฒนารุ่งเดืองแน่นอนนะไม่ล่มจมอ่ะวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะ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 แค่ไปเจอแค่ไปพบแค่ฟังเทศของผู้เจ้าเจ้าเท่านั้นเองทิ้งหมดเลยสมบัติที่มีทั้งหมด800รอล้านมาเลยมาบวชอายุตั้ง80ิแล้วนะคิดดูนะจริงๆเนี่ยแต่บ้านอย่างว่าคนสมัยก่อ น, นก็ไม่เหมือนคนสมัยนี้นะถ้า80ดสิบของเราก็ใกล้จะตายอยู่แล้วนะ <laughs> ทุกวันนี้นั่น80 <c oughs> เขายังโอ้โหยังแข็งแรงดีเลย บวชอยู่ในพระพุทธศาสน า, าพระภกุละต่อสู้กับกิเลสของตนอาศัยฉันบินทบาทของชาวบ้านเพียงเจ็ดวันเท่านั้นรุ่งขึ้นวันที่8ก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในโลกแม่ทำไมรวดเร็วปานฉะนั้นเจ็ดวันเท่านั้นเองวันที่แดก็บรุลุเลยอาตอนีบรุลุแล้วนะเป็นพระอราหันต์แล้วนะ อยู่มาวันหนึ่งพระภั ก, กุระเทระอยู่ที่พระวิหารเวรุวันมีปริยพาชกปริภพาชกนี่คือนักบวชพวกหนึ่งชื่อว่าอเจระกัสปะซึ่งเคยเป็นสหายของพระภักขุระเทระได้มาเยี่ยมเยียนท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วหรือนี่เราบวชมาได้แปสบพรรษาแล้วเออมาบวชตอนอายุเท่าไหร่ มาบวชตอน80นะเสร็จ แ, แล้วตอนนี้บอกว่าเราบวชมาได้80พรรษาแล้วแสดงว่าตอนนี้160นะตอนนี้160นะเพราะนั้นต้องฟังให้ทันก็แล้วตลอด80พรรษานี้ท่านเคยเสดเมถุนทรรมกี่ครั้งแล้วนะแหมเพื่อนนักบวช ด, ด้วยกันนะถามอย่างนี้นี่โอ้โหรู้สึก แม่ถ้าใครมาถามเราอย่างนี้อะสมมุตินะบวชมาด้วยกันหรือปฏิบัติธรรมมาด้วยกันมาถามบอกนี่ท่านเสพเกตเมถุนมากี่ครั้งแล้วคือถ้าถามว่าท่านเคยเสพเมทุนบ้างหรือเปล่าเอออย่างนี้ยังพอคุยกันได้หน่อยนะแต่อันนี้ไม่ไม่บอกว่าเคยเลยนะบอกเสพมากี่ครั้งแล้วนี่แสดงว่าเอะถามอย่างนี้หมายความว่าเออเราต้องเคยมาแล้วที่ถ้าอย่างนี้แหมถามอย่างนี้นี่ถ้าไม่ใจเย็นพอก็แหม่ มีหวังได้ด่าเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าอาพอถามมาพระภกุเลเถระรีบห้ามปรามทันทีว่าดูก่อนกับสปะาผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนั้นเลยแต่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดแปดสิบพรรษานี้ตามมสัญญาเคยเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งโอ้โหบอกบอกจะ่าถามเลยนะ ว่าเราเนี่ยไปเสพเมถุนมากี่ครั้งพูดอย่างง่ายเข้าใจใช่ไหมครับว่าไปเสพเมถุนเนี่ยหมายถึงไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเลยอะ่นะบอกอย่าถามเลยดีกว่าห้ามเลยนะอย่าถามอะไอย่างนั้นนะ่ะแต่ควรจะถามเราว่ากามาสัญญาหมายถึงเ อ, อแค่ไอ้เรื่องที่ความทรงจําในเรื่องของกามเนี่ยแหละแล้วว่าว่าเราเคยเกิดเคยเกิดขึ้นเนี่ยคือเราเคยไปคิดถึงเรื่องกามเนี่ย สักกี่ครั้งจะดีกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อเราบวชมาตลอดแปดสิบพรรษาไม่รู้สึกการมสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยอ่าเอา้าบอกตั้งแต่บวชมาเลยไงนะ <S <S บวชมาเลยก็ยใช่ <S <S <S <S เอา้าฟังดูให้ดีนะ คำว่าการมาสัญญานะพวกคุณฟังดูให้ดีหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยแบบว่าไปแวบไปคิดถึงอดีตเรื่องของการเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่เคยเกิดเลยตั้งแต่บวชมาแปดสิบป ansa ไม่ได้หมายความว่าท่านมีกิเลส น, นะการที่เราเนี่ยเกิดไปนึกถึงอดีตในเรื่องของการนะเป็นความทรงจําเนี่ยเป็นสัญญาเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าเรามีกิเลส น, นะคุณ อ่าเพราะฉะนั้นแม่กูจะบอกว่าเอ้ใครมีสัญญาในเรื่องของกามเกิดขึ้นแล้วหมายถึงคนทั้นมีกิเลสยังไม่ใช่ถ้าสัญญานั้นเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้ปรุงคุณไม่ได้สังขาร น, นะคุณไม่ได้สังขารเป็นกิเลสอะไรมันก็ไม่เป็นนะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะี่ยมันก็เป็นแค่ความทรงจําในเรื่องนั้นๆเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสอ่า วันเนี่ยในความหมายของท่านนาะอย่าถามเลยนะว่าไปยุ่งกับผู้หญิงไหมอ่ะถามว่านี่เนี่ยอเนี่ยไอความทรงจำเนี่ยเลยเคยแวบขึ้นมาในความคิดเราไหมเอ่ยว่าไม่เคยเลยแปดสี่ภษาไม่เคยแมย้แต่ครั้งเดียวคุยย่างเงมันยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งกว่าเป็นคําตอบที่อะไรเกทับจนไม่รู้จะทับยังไงเลยใช่บอกว่าโอ้ตัดทิ้งไม่ได้เลยไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องนี้ตอนนี้เพื่อนก็ยังถามอีก ข้อที่ท่านพักกุละไม่รู้สึกการมาสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยตลอดแปดสิบพรรษาข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมไม่น่าคือเป็นธรรมะที่ไม่น่าเป็นไปได้น่าอาศัศจรรย์นักมันยากจริงๆคุณโอ้โหยากจริงๆนะไม่ให้มีแวบเรื่องการมาสัญญาบ้างเลยเนี่ยถึงบอกว่าโอ้โหมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ถึงบอกว่าน่าอาศัศจรรย์ ดูก่อนผู้มีอายุแม้ตลอด80พรรษานี้เราก็ไม่รู้สึกพยาบาทสัญญาเคยเกิดขึ้นเลยอ่าคราวนี้โอ้โหประกาศใหญ่ละไม่ใช่เพียงแค่กรารมาสัญญาพยาบาทนี่คือความคิดในเรื่องของออในเรื่องของการจะไปทำร้ายการคิดร้ายคนอื่นเขาบอกตลอด80พรรษาไม่มีเลยแม้แต่แวบเดียวก็ไม่มีคุณคิดดูแล้วจิตจะขนาดไหน แม่วิหิงษาสัญญาก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยวิหิงษาคือคิดจะไปเบียดเบียนหรือว่าจะไปเอารัดเอาเปรียบไปกันแกล้งไปอะไรใครเขาไม่เคยเลยตลอด8ปดิพรรษาซึ่งจริงๆถ้าเราคิดแบบตื้นตื้นเนี่ยเราก็บอกว่าอ้อก็ท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านต้องไม่คิดแง่แง่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นอรหรันต์แล้วแล้วอ่ะท่านจะไปคิดยังไงล่ะแต่อันนี้ท่านใช้คาว่าสัญญานะ ความทรงจํำนะความทรงจําว่าเออเคยไปคิดไปเบียดเบียนเขาอะไรไม่เลยไม่แวบมาเลยมันยากตรงเนี้ยถ้าถ้าเป็นอาหารเราก็รู้แหละ ว, ว่าเป็นอาหารแล้วก็ต้องไม่มีกิเลสแล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าสัญญาไม่ขึ้นนี่สัญญามันขึ้นมาได้ถ้าพระอาหันต์รูปนั้นไม่อันไซเมอร์อาก็ต้องมีสัญญาอยู่ต้องมีความทรงจําอยู่เออ ใช่คือท่านถอนออกไปเลยอะท่านไม่ไม่ไม่ไมเก็บไว้เลยแล้วก็ไม่มีอยู่ในหัวสมองท่านเลยมันถึงไม่ขึ้นเลยไงสัญญาต่างต่าเหล่านี้ถึงไม่มีให้ขึ้นมารบกวนเลยนะเพราะท่านเล่นเล่นถอนทิ้งหมดแหละอถอนสัญญาทิ้งเลยด้วยไม่ใช่แค่ถอนแค่กิเลสทิ้งแต่ถอนสัญญาออกไปด้วยเนี่ยแม้การมาวิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยการมารวิตกนี่ก็คือ ตึกหรือไปนึกหรือไปคิดเรื่องพวกนี้เรื่องของกามบ้างอะไรบ้างแมนะ้แม่พยาบาทพิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้วิหิงสาวิตกก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้ความรู้สึกยินดีในคหะบดีจีวอก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือคือเกิดจิตที่จะไปยินดีพอใจใน ขาหาอดีจีวรหมายถึงจีวรที่ยังไงที่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านถวายมาให้ชาวบ้านอาจจะเป็นชาวบ้านผู้ดีมีเงินหรือชาวบ้านเศรษฐีหรือชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่ถวายผ้าดีๆมาให้เนีย่ยท่านบอกว่าเนี่ยตลอดแปดสิบพรรษาไม่ไม่เคยเลยที่จะไปรู้สึกยินดีพูด ง, ง่ายว่าเฉยๆ เราไม่รู้จักแม้การใช้มีดตัดจีบออแสดงว่าไม่เคยต้องต้องอะไรทําจีวอลเองเลยเนี่ยเราไม่เราไม่รู้จักแม้การใช้มีดตัดจีบอลเราไม่รู้จักแม้การใช้เข็มเย็บจีวรเราไม่รู้จักแม้การย้อมจีบอลอย่างนี้จีบรท่านตองสิดนะ่ดูเลยนะ ก็คงจะอย่างงั้นมั้งคือพูดง่ายๆว่าไม่มีว่าจ่ายนั่นเลยเนะเราไม่รู้จักแม้การเย็บจีวรที่ไม้สะดึงหมายถึงว่าไม้สะดึงมันจะเป็นเหมือนกับกรอบอะเห็นไหมผู้หญิงคงจะรู้บ้งแล้วก็เอาไปขึงแล้วก็ไปเย็บเราไม่รู้จักแม้การจัดทําจีวรของเพื่อนพรมมาจารีเราไม่รู้จักยินดีแม้ในกิจนิมนต์น ไม่ใช่ว่าไม่รับนิมนต์นะแต่ว่าท่านไม่ยินดีไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอะไรอะ่ะเ อ, อแบบแบบกิเลสแบบแบบพอใจแหมมีคนมานิมนต์โอโหอะไรเงี้ยไม่เลยก็เฉยๆนั่นนิมนต์คนนิมนต์เราไม่เคยขอใครให้นิมนต์เราบอกเนี่ยไม่เคยขอเลยว่าต้องให้ใครมานิมนต์ ออ่านตรงนี้แล้วนึกถึงก็เลยนึกถึงตัวเองว่าเออเราเคยขอให้ไข่บรรยมหรือเปล่าอ่านแล้วก็นึกถึงนะก็บางทีก็อ่านอ่านอะไรไปเนี่ยหรือว่าฟังฟังอะไรนะก็ต้องพยายามนึกเข้าหาตัวเราด้วยว่าเออเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเนี่ยอ่านประวัติของพระอรหันต์เนี่ยบางทีเราก็นึกดึบ้างบอกเออ เรามีสิทธิ์หรือว่าเรามีบา ร, รมีพอจะแม้ไต่เต้าถึงได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาฟังต่อโอ้โหเยอะมากเลยนะเราไม่รู้จักแม้การนั่งในละแวกบ้านคือ <c ười> ผู้อธิบายแสดงว่าไม่เข้ า, ไ ม, ขาไม่เข้าเขตบ้านคนเลยเราไม่รู้จักนั่งแม้ในละแวกบ้านเราไม่รู้จักแม้การฉันในละแวกบ้านก็ไม่เข้าไปในละแวกบ้านเลยไปฉันในละแวกบ้านยังไงเออ บินสิแต่ว่าไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้ก็คงหมายถึงว่าพวกเนี่ยบ้านเมืองบ้านอะไรพวกนี้ท่านก็อาจจะไปบินตามอะไรอะ่ะอาตามที่มันไม่ไม่มีบ้านหนาแน่นอะไรนะเราไม่รู้จักแม้การมองรูปทรงเอวของมาตุขามก็คือคือก็เห็นนะเห็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ไปพิจรารณาไม่ไปดู อะไรอ่ะนะสวยไม่สวยอะไรด่ออะไรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดูอืมก็ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เท่านั้นแหละอืมเราไม่รู้จักแม้การเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีพูดง่ายว่าไม่ยอมเข้าสำนักภิกษุณีเลยเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่สิกขามนาสิกขามนาก็หมายถึงผู้ที่จะเตรียมตัวบวช เป็นภิกษุณีนะเรียกว่าสิกขาบรรณาเราไม่รู้จักแม้การแสดงธรรมแก่สามมณรีรู้ง่ายว่าพวกผู้หญิงเนี่ยท่านตัดทิ้งหมดเลยอะเอางอ่ายๆงี้ดีกว่านะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยนี่แสดงภาษายอะไรเนี่ยมาแบบสายไหนสายฤาษีได้ไงเป็นอหรหันต์แล้วตอนนี้เอเป็นแบบสายเจโตนะเป็นแบบสายเจโตที่ตัดรอบเลย ีกว่าแทบจะไม่ยุ่งอะไรกับพวกผู้หญิงเลยบอกถ้าถ้าไปอยู่ที่ไหนนะเกิดไปสร้างวัดไว้ที่ไหนก็คงห้ามผู้หญิงเข้าหรือ่าก็ไม่รู้เราไม่รู้จักแม้การให้บรรพชาเอาละสิคราวนี้บรรพชานี่ไปถึงบวชเลยบรรพชาเออบวชเนนพูดง่ายโอ้โหเอาแต่ตัวเองเท่านั้ เราไม่รู้จักแม้การให้บรรดาลชาเราไม่รู้จักแม้การให้อุปสมบทน่ะบวชเนรก็ไม่บวชบวชพระก็ไม่บวชเราไม่รู้จักแม้การให้นิสัยให้นิสัยก็หมายถึงว่าให้คนอื่นเนี่ยมาหมายถึงอบรมสั่งสอนให้คนอื่นเนี่ยมามาเป็นมัยึดเราเป็นที่พักที่พึ่งนะในการที่เราจะอบรมอบรมสั่งสอนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าให้นิสัย เราไม่รู้จักแม้การใช้สัมะเนมเป็นอุปถาตคือพูดง่ายๆว่าก็ไม่ต้องให้คนมาคอยดูแลรับใช้ด้วยอย่าว่าแต่เพื่อนพระเลยแม้แต่ต่อให้เ น, นเนี่ยจะมารับใช้ก็ไม่เอาไม่ต้องแสดงว่าแม่ตัวคนเดียวจริงๆเลยนะเราไม่รู้จักแม้การอบในเรือนไฟอบในเรือนไฟ เรือนไฟนี่คือเป็นแบบว่าเอาเอาสมุนไพรหรือว่าเอามาต้มจะไปอาบหรือว่าจะอบไอน้ําอบสมุนไพรอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบเซาวนาแหละนั่นแหละแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรือนไฟเราไม่รู้จักแม้การใช้จุรนส่งน้ําจุรนหรือจุนจุนนี่มันจะเป็นผงผงสําหรับเขาออกมาใช้สมัยก่อนเขาไม่มีนั่นนี่สบู่ไม่มีอะไร ก็จะใช้จุนเนี่ยนะเอามาถูตัวทำความสะอาดเป็นผงเป็นผงละเอียดละเอียดนะก็จะมาใช้เขาเรียกว่าจุรนหรือว่าจุนนะเอามาเนี่ยเอามาใช้สำหรับอาบน้ำเราไม่รู้จักยินดีแม้การนวดฟันของเพื่อนพ ม, มจารีคือไม่เอาเลยไม่ชอบถ้านะใครจะมานวดใครจะมา อ, าอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ยินดี เราไม่รู้จักอาพาธแม้ในเวลาเพียงแค่รีดนมโคเสร็จแสดงว่าตลอด80พันศามาเนี่ยน่าจะเจ็บป่วยอาตมา ก, ก็ไม่รู้นะเขารีดนมโคเสร็จ น, นี่เขาใช้เวลากันกี่นาทีก็ไม่รู้ใครช่วยไปสืบสาะมาหน่อยทีจะได้รู้ว่ามันกี่นาทีอะ่ะะเขารีดนมโคเสร็จ น, นี่เขาใช้เวลากันสักกี่นาทีนะ โทรไปถามโชคชัยอะเออเอาสิคุณโทรสิเออนัแต่แสดงว่าคือคือแต่เข้าใจอยู่ว่าการเปรียบเปรยอันนี้แสดงว่ามันมันคงแป๊บเดียวมันคงจะไม่ช้าอะไรนะเท่ากับว่าท่านบอกว่าตลอดแปดสิพรรษามาเนี่ยจะเจ็บป่วยแค่ปัดเดียวปัดดาวเท่านั้นนะท่านก็ไม่เป็นเลยแค่ปัดเดียวปัดดาวเนี่ยแสดงว่าถ้าเพนนี่กับเพนก็แป๊บเดียวเท่านั้นเอง จะไม่มีเลยว่าเป็นยาวๆเป็นนานๆหรือว่าเป็นวันๆอะไรเนี่ยไม่มีขนณะผู้เจ้านี่ยังยังยังเป็นอยู่บ่อยอยู่เหมือนกันนะขนณะผู้เจ้าเนี่ยคุณดูที่บางทีอาพาธจนทั่งอะไรประชวน อ, อะไรอ่ะล้มหมอนนอนเสือเลยอ่ะต้องให้อาโนนปูผ้าเราจะนอนเราจะพักไขนณะผู้เจ้านะยังเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าท่านเลยนี้ท่านเี่โอโหเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมาก ปักขันธิกาพลาดนะเราไม่รู้จักฉันยาแม้แค่เท่าชิ้นสมองคือก็เพราะว่าไม่ป่วยใช่ไหมก็เลยบอกเรียกว่าโอ้โหจะกินยานี่นะแค่ชิ้นสมองสมองจะชิ้นเท่าไหร่กันคือยานิดหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยจะต้องมากินเลยอบารมีในเรื่องนี้สะสมมาเป็นยอดเยี่ยมจริงๆเราไม่รู้จักแม้การนั่งพิงพนัก โอ้อะไรยปาด น, นั้นสแสดงว่าปกติแล้วเนี่ยไปที่ไหนนี่คือไม่อาศัยเสาเป็นสาระไม่อาศัยอะไรเป็นเป็นอะไรอ่ะที่พิงหลังเลยสแสดงว่าไปนั่งที่ไหนก็นั่งแบบอะไรอ่ะตัวตรงอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่ ไ, มไปไปพิงพนักอะไรที่ไหนเราไม่รู้จักแม้การล้มตัวลงนอนโอ้โหแสดงว่า ท่านใช้นั่งเอาใช้นั่งหลับเอาสิท่านไม่ได้นอนหลับอะ่ะ เ, เราไม่รู้จักแม้การจำภาษาในสถานที่ใกล้เขตบ้านคือแสดงว่าจำภาษาห่างออกมาจากพวกหมู่บ้านพวกอะไรต่างเราบวชพ้นเจ็วันเท่านั้นก็ได้เป็นพระอระหันต์เนี่ยปรากฏว่าพูดมันต้องเยอะยังแยะนะให้อเจรกะ กสปะฟังเมื่ออเจรกะกสปะปริยภาชกได้คําประกาศได้ฟังคําประกาศของพระภักุละเทระอย่างนี้แล้วอดที่จะอุทานไม่ได้ด้วยศรัทธาอย่างยิ่งว่าข้าแต่ท่านภักุละที่ท่านกล่าวมาให้ฟังเหล่านี้ช่างน่าอัศจรรย์นักเป็นธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้ขอข้าพเจ้าพึงได้บรรบชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิด ขอบวชเลยฟังแค่เนี้ยนี่พวกคุณก็ฟังจบมาแล้วเหมือนกันขอบวชเลยนี่ปรากฏว่านี่นี่เป็นจริงๆเป็นนักบวชนอกาศาสนาพุทธนะนะเป็นพวกป ร, ริยภาชกปรากฏว่าพอฟังอันนี้แล้วก็โอ้โหพูดง่ายว่าศรัทธาจนกระทั่งเต็มปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็บอกขอบวชเลยฟังนักทนไม่ไหวแล้วขอบวช เมื่อได้บวชแล้วไม่นานพระอเจรกักกสปะก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งไม่นานเหมือนกัน น, นั่นเองไวๆทั้งนั้นแนหะเวลาต่อมาเมื่อถึงวันสุดท้ายที่จะปรินิพาน พ, ะพะระพักกุลเทละได้ไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วประกาศว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพานของเราแล้ว พอถึงวันที่จะปรินิาพานเนี่ยไปเลยไปพระวิหารมีที่ไหนบ้างไงกี่หลังน่ะไปแล้วที่ท่านพักอยู่นะหมายถึงที่ท่านพักอยู่ท่านก็ไปประกาศเลยไปบอกบอกมาวันนี้ผมพูดง่ายว่าผมจะปรินิาพานแล้วนะเมื่อภิกษุทั้งหลายออกมาประชุมร่วมกัน พ, พระพกร์อุละเถระก็นั่งปรินิาพานอยู่ในถ้ำกลางหมู่สง์นั่นเอง นับอายุที่อยู่ในเพศคราวาดได้80ปีและบวชจนกระทั่งถึงปรินิพานอีก80ปัรษารวมแล้วพระพักุลาเทละมีอายุยืนยาวถึง160ปีทีเดียวจบประวัติของพระอรหันต์อันนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึง่งที่เราเรียกว่าโอ้โห ต้องสั่งสมบารมีในแต่ละชาติแต่ละชาติชนิดที่เรียกว่าคุณต้องถึงจริงๆอะ่ะเพราะนั้นถ้าประเภทไอโ้ น, โน่นก็เออเดี๋ยวไว้ก่อนไอ้นี่ก็เออเดียเด๋ยวเดีย๋ยเ๋ยก็ค่อยเป็นค่อยไปยากไม่รู้จะอีกเท่าไหร่นะตะกี้อาตามาบอกแล้วนะว่าท่านจะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผ่านผู้เจ้ากี่พระ อ, องค์สี่จะมาจนมาถึงผู้เจ้าองค์ที่ห้านะ คุณคิดดูสิว่าโอ้โหขนาดท่านขนาดนี้ต้องผ่านขนาดไหนอ่ะแล้วถ้าเราเนี่ยยิ่งแบบว่าอู้นะค่อยๆตัวมเตรียมค่อยๆตัวมเตรียมโอ้โหคุณไม่รู้อีกเมื่อไหร่อ่ะจะกี่กี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านชาติไม่รู้เลยว่าเราเราจะสามารถที่จะไปถึงจุดที่เราบางทีเราก็คิดเหมือนกันเราก็มุ่งหวังเหมือนกันมีใครเคยคิดบ้มงไหมว่าชาติเนี่ย น่าจะเป็นอรหันต์ให้ได้อะนะก็นั่นแหละกันิพย์พาณิชย์หมายถึงว่าเอาเอาอารหันต์ให้ได้มีใครเคยคิดบ้างไหมเอาไหนยกมือที่มีใครเคยคิดบ้างโอ้มีอยู่คนเดียวเหรอนอกนั้นไม่เคยคิดเลยเหรอตอนอาตมายังไม่มาอยู่ที่อโศกเรานะอาตมาไม่คิดจริงๆนะจริงอาตมาก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาอยู่วัดโอ้แล้วก็ประทับใจนะประทับใจมากๆเลย แต่บอกตรงๆนั่นไม่เคยคิดเลยว่าจะไปเป็นพระอาหารหันในชาตินี้อะไรไม่ไม่อยู่ในหัวสมองเลยแต่ประทับใจนะเวลาอ่านโอ้โหประวัติของอพระรูปนั้นพระรูปนี้เนี่โอ้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านบรรลุธรรมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์ประทับใจจริงๆแต่ไม่เคยนึกเลยว่าชาตินี้จะเป็นพระอาหารหันต์กับเ ข, ขาบ้างนะจนกระทั่งขณะอาตมามาอยู่ที่ ที่สันติอโศกนี่แล้วจกกนกระทั่งได้บวชเป็นพระแล้วใหม่ๆก็ยังไม่เคยคิดเลยอาจะมามาคิดเอาหลังๆเนี่ยนะจริงๆจนบวชกระทั่งมาอีกทั้งหลายพันศาเนี่ยถึงมาคิดเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าไอ้ที่คิดตอนแรกกท็ที่เริ่มจะเกิดความคิดขึ้นมาเพราะมีเพื่อนพระ ด, ด้วยกันนี่แหละชอบมาถามอยู่เรื่อยเลยถามา น, น, นี่ท่านท่านตอนนี้ท่านท่านได้อะไรแล้วตอนนี้ย ชอบมาถามอยู่เรื่อยเลยไอ้จริงๆเนี่ยอาตมาไม่มีความคิดนี้อยู่แล้วคือก็คิดอยู่แต่ว่าเออเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมเรามาลดละกิเลสคิดแค่นี้แหละเราก็ทําให้มันดีที่สุดแหละมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันจะไปเป็นโซดาสกิทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราต้องจะบูมหวังจะต้องไปเป็นอะไรคือไม่คิดจริงๆไม่อยู่ในหัวสมองแต่หลังโดยท่านถามบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเพราะเราก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันเนี่ยเพราะเราไม่คิดอ่ะ เพรพอท่านมาถามแล้วก็ตอบว่าโอ้ไม่เคยคิดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะก็ไม่รู้เนี่แต่ตาหลังท่านมาถามอีกถ้ามาถามอีกมันก็เลยสะกิดใจเราเหมือนกันน่ยยิ่งพอศึกษ า, าศาสนาพุทธไปมากๆเข้านะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วปฏิบัติแบบพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเนี่ยการปฏิบัติของเราที่ถูกต้องแล้วเราต้องรู้ด้วย ว่าบัตรนี้เนี่ยเราเราเป็นอะไรอย่างเป็นอะไรนี่คุณอาจจะไม่รู้ภาษานะว่าเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอะไรคุณอาจจะไม่รู้ภาษาก็ได้แต่คุณรู้ว่ากิเลสคุณลดไปได้เท่าไหร่แล้วอ่ะถ้าคุณรู้ว่ากิเลสคุณลดไปได้เท่าไหร่เอาเรื่องกามเรื่องโทสะเรื่องมานะคุณลดไปได้เท่าไหร่แหละใช่ไหมอันนี้คุณน่าจะรู้สิเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนี่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อันนี้เอาเราพอมาเทียบได้นะคุณมาเทียบกับที่พระเจ้าเนี่ย ท่านบอกว่าอาผู้นี้ได้โสดาผู้นี้ได้สกิทาท่านก็บอกขอบเขตเอาไว้นี่ว่าถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโซดาถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสกิทานั่นแหละหลังๆเนี่ยอาตมาเลยชักเออจริงๆเราควรจะรู้เหมือนกันนะว่าเราเนี่ยเป็นใครเอา้าไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะสิหลังๆก็เลยเออชักๆเริ่มสนใจว่าถ้าเป็นโสดาเนี่ย นะควรจะลดกิเลสได้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าโสดาลดกิเลสได้ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าสกิทาอัตมาถามพวกคุณทุกวันเนี้ยคุณพอจะรู้หรื อ, อยังว่าลดกิเลสขนาดไหนถึงจะเป็นโซดาอ่ะอ่ะอะ่ก็ลดสักกายทิฏฐิใช่ไหมวิจิกิจชา้าศรรีลลตประมาณแต่ในอะไรอันนี้สามข้อนี้ในอะไรโซดาสิ มันมีอะไรที่มาให้คุณพอจะมองออกได้ชัดขึ้นอีกเพราะสักยะทิถีเนี่ยจริงๆเนี่ยสักยะทิถีชั้นอื่นก็มีได้สักยะทิถิมันไม่ใช่สักยะทิถีเฉพาะโสดาเนี่ยใช่ไหมแม้วิจิกิจฉาแม้ศิลรปตรปามาสเนี่ยศิลศิลปตปามาสแปลว่ารูปคําศีลเล่นๆใช่ไหมอ่าแต่ในฐานของอะไรอ่ะก็ศีลห้าใช่ไหมอันนี้คุณเริ่มจะเอ อ, อย่างนี้ชักจะ ถ้าจะมองออกได้ง่ายขึ้นแล้วเอามาพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวเราเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นคราวนี้แหละคุณถึงจะพอพอมองภาพตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วพอที่จะคราวนี้พอจะพยากรณ์ตัวเองได้ว่าเออเราได้หรือเราไม่ได้หรือเอายาณเจดของประโซดาบันเนี่ยใช่ไหมเอามาเทียบดูซิว่าเออพอจะได้หรือว่าไม่ได้นั่นแหละถ้าคุณลองมาเปรียบเทียบโดยไม่โกหกตัวเองโดยไม่หลอกตัวเองแล้ว คุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคุณเป็นใครแล้วคราวนี้แหละนะก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้จักตัวเองได้ดีแล้วก็ชัดเจนนะซึ่งอันนี้ก็ก็ฝากไปนะหวังว่าพวกเราเนี่ยนะอย่าลืมก็แล้วกันนะต้องตรวจดูตัวเราเองด้วยถ้าใครไม่ตรวจดูเนี่ยคุณทําไปทําไปคุณก็สักแต่ว่าทำนะไอ้สักแต่ว่าทำนี่มันระดับอรหันต์นะสักแต่ว่าทําเนี่ย แต่ถ้าคุณยังไม่เป็น阿拉าหาันนี่มันสักจะว่าทำมันไม่ได้หรอกนะมันต้องทําอย่างรู้ทําอย่างพิจารณาทําอย่างสามารถแยกแยะได้เข้าใจได้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ระดับไหนแล้วคนนั้นนะ่ะถึงจะไม่หลงทิศหลงทางแล้วก็จะไม่หลงตัวถ้าคุณชัดเจนแล้วก็ถูกต้องไม่หลงตัวนี่มีต้องหลายอย่างนะหลงตัวของ阿拉มาบีง่ายๆที่สุดสองอย่างนะคือหลงสูงกับหลงต่ํา หลงตัวเองต่ํากว่าความเป็นจริงกับหลงตัวเองว่าสูงกว่าความจริงนั่นในการหลงตัวอตาตมาแยากใหญ่ๆไว้สองอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าใครเนี่ยไม่รู้ความจริงที่ชัดเจนแล้วมันหลงได้จริงๆอตาตมาเนี่ยเคยให้พวกคุณตรวจศีลมาแล้วอาตมาลองมามาเช็คดูที่พวกคุณตรวจโอ้ยบ่อยไปเลยหลายคนนะยังไม่ไม่ชัดยังไม่ถูกหรอกที่ตรวจมาเนี่ย ตัวแบบบางทีหลงสูงไปหลงต่ำไปยังมีอยู่อีกมากเพราะอะไรทําไมถึงตัวแล้วมันไม่ถูกทุกทีเพราะคุณยังไม่รู้ลักษณะจริงๆของโซดาบันว่าว่าควรจะเป็นยังไงนั่นเองเพราะพอตัวต่อมาแล้วมันถึงผิดเพียงแต่ว่าคุณไปหลงแบบไหนเท่านั้นเองคุณก็ตรวออกมามก็ผิดไปตามแบบที่คุณหลงอยู่ต่อเมื่อคุณเข้าใจชัดเจนในฐานของโสดาบันเท่านั้นแหละคุณถึงจะตรวจออกมาแล้วถูกต้อง ตามฐานฐานะที่เรามีเราเป็นนะเอาวันนี้ก็ฝากประเด็นนี้ไว้นะเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เข้าถึงสัจจะหรือว่ารู้ถึงความจริงโดยที่ไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่หลอกตัวเองเอาวันนี้คงฝากไว้เท่านี้